ทำกรรมมันได้ไหวดีเลยชั่วเราได้รับผลกรรม น, นั้นนี่อันนี้ท่านพูดรวมถ้าหากเราแยกออ ก, กว่าทำความดีเราก็ได้รับผลความดีถ้าเราทําความไม่ดีก็ได้รับผลความไม่ดีที่นี้เราได้ปฏิบัติความดีมาตลอดมาตามระดับอจิตใจของเรามุ่งมั่นจะทําแต่ความดีผลที่เกิดขึ้นแก่ ตัวของเราก็คือเราเป็นผู้ระลึกขึ้นมาแล้วเราไม่เดือดร้อนอตัวตัวของเราเองแล้วก็ทำให้เราเย็นใจสบายใจเพราะความดีของเรามีอยู่แล้วเราพึ่งความดีอ น, นั้นมาแตงใจของเราให้ตั้งอยู่ในความดีให้เกิดความปลื้มใจและสงบใจยิ่งเวลานี้เราทั้งหลายได้เข้ามารวมนั่ง เพื่อแต่งใจของเราให้ดีส่วนกายนั่นเมื่อเรานั่งมันก็ดีอยู่แล้วบอกให้นั่งอะไรเขาก็นั่งเขาไม่ได้ล้ายากอะไรให้สงบเขาก็สงบเรียบร้อยยังแต่จิตใจนี่แหละยังมีอารมณ์ปรุงแต่งอยู่เสมอคิดอารมณ์อยู่เสมอ แต่การภาวนานั้นไม่ใช่ว่าไม่คิดไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆไม่คิดอะไรไม่ได้ใจไม่เหมือนกับวัตถุอย่างอื่นใจอยู่ได้ด้วยคิดอารมณ์เหมือนกับลมลมเนี่ยยูนนิ่งไม่ได้มันต้องพัดไปพัดมาอยู่ตลอดเวลาที่ไหเรียกว่าว่าลมใจนี่ก็เหมือนกันเว้นไว้แต่หลัก ถ้ามันรุ่ขึ้นมาแล้วต้องมีอารมณ์ต้องคิดอารมณ์นึกอารมณ์เพราะฉะนั้นใจนี้จะปราศจากอารมณ์ไม่ได้การภาวนาก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้มีอารมณ์เลยมันต้องมีการในเลิกพุทโทนั่นก็เป็นอารมณ์ของจิตการที่จิตสงบก็ต้องมีอารมณ์สงบ การที่จิตมีปัญญาก็ต้องมีอารมณ์ที่ให้เกิดปัญญาจะอยู่โดยหลับโดยไม่รู้อะไรไม่ได้ความรู้ต่างๆนี่แหละต้องอาศัยความรู้ต้องอาศัยความยึดต้องอาศัยหลักจึงจะรู้ไม่มีหลักจิตไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนแรจกจะฝึกพนอบรมไม่ได้เปรียบเหมือนภาพไฟ ต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องประยุกของไฟถ้าไม่มีเชือกไม่มีอะไรไวแล้วไฟไม่ทราบประย่ที่ไหนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการประโยชน์เราก็ต้องมีสิ่งที่เกิดไฟมีเชือกสิ่งสืบเหมือเชื่อมากเท่าไหร่มันก็มีพลังมากเท่านั้น จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันต้องมีที่ยึดแต่กาจะยึดอันใดให้มันมั่นคงสักอย่างหนึ่งเพื่อมาทำประโยชน์ถ้าเราคิดอันนั้นนิดหน่อยอันนี้นิดหน่อยไม่เป็นพลังมันฟุ้งซ่านลุกเกิดความรำคาญเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไม่ต้องการความทุกข์เราไม่ต้องการความยากลำบาก เราต้องการมั่นคงต้องการสักจะความจริงต้องการความสำเร็จเพราะฉะนั้นความสำเร็จจีงมันต้องตั้งมั่นต่อเนื่องกันเรททำสิ่งใดด้วยเอาใจใส่เรียกว่าชันพระความพอใจการภาวนาก็เช่นเดียวกันเราทำความพอใจยินดีในความสงบประลบความเพียง นคือความพยายามในการภาวนาที่ให้สงบนั่นเองทำจิตให้อารมณ์เป็นหนึ่งไม่ใช่ว่านั่งลอยเฉยๆต้องดูเพื่อให้โยในอารมณ์อันใดอันหนึ่งต้องมีอารมณ์เหมือนกันต้องมีสิ่งทีเยึดเหมือนกันแม้แต่ลมหายใจเข้าก็เป็นอารมณ์อารมณ์เป็นอารมณ์เป็นกรรมฐาน ลมหายใจออกก็ต้องมีลมเป็นเครื่องกําหนดเป็นเครื่องหมายในนิตของสมาธิการทําสมาธิมันต้องมีในนิอเป็นเครื่องหมายไว้อย่างใดอย่างหนึ่งจะหมายพุโทโธอยู่ตรงไหนก็ทำขั้นความสบายอยู่ตรงนั้นจะเอาลมหายใจเข้าพทุทโทออกโทแล้วก็ระลึก แล้วก็เลิกไปเลือกไปก็แต่งใจให้สบายเพราะเราชอบความสบายเราชอบความสงบก็พยายามสํารวมจะให้ยยสิ่งอื่นมากปอกวนเราไม่เอาอะไรเสนออะไรมาเราไม่เอาเพราะมันไม่สงบแม้แต่ความเจ็บปวดถึงเล็กหน่อยน้อยที่มีอยู่เราก็ไม่ถือว่าเป็นความรำคาญเพราะเราต้องการความสงบ พอมันรู้ก็เพียงแต่รู้เท่านั้นผ่านไปผ่านไปเดี๋ยวมันลืมสงบไปเองถ้าจิตใจของเราพร้อมที่จะสงบพร้อมที่จะมีความสุขเพราะเราต้องการความสุขนั่งให้เป็นสุขอย่าเอาเรื่องทุกข์กมาก่อกวนจิตใจของเราอย่าเอาเรื่องไม่ดีมาคิดมานึกถึงแม้ว่าสิ่งที่ไม่ดีจากภายนอกเราก็ทราบอยู่แล้วมีอยู่ทั่วไป ถ้าเราไปเก็บมาก็เลยเป็นสมบัติไม่ดีที่มีอยู่ในตัวของเราถ้าเราทิ้งมันเสียเราก็ไม่มีสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นจิตนี้อย่าไปเก็บสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทุกข์สิ่งที่พุ่ง ส, สั่นสิ่งที่รำคาญสิ่งที่ใดๆอย่าไปเก็บเรามาดูษาจิตของเราละเลึกแต่ความดีอย่างน้อยเราก็ละเลึก ที่เราได้ปฏิบัติเจินรอยตามพระพุทธเจ้าก็เป็นความดีอยู่แล้วที่เรานั่งก็เป็นความดีอยู่แล้วเราภาวนาก็เป็นความดีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยะเจ้าก็ดีท่านปฏิบัติอย่างนี้เราก็ได้ปฏิบัติตามด้วยความเชื่อความเลื่อมใสเสสละโดยมอบกายมอบทางกายมอบทางจิตใจ ปฏิบัติตามคำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเลึกความดีแล้วเราไปนั่งยังมีความสุขเหมือนแบบคนไม่มีเวรไม่ภิมีภัยคนไม่มีโทษบาคนจะนั่งก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขยืนก็เป็นสุขเพราะเหตุใดเพราะใจของเรามีความสุขเพราะใจของเรามีความดีไม่มีเครื่องจะต้องระแวงะนรกจะ จะต้องกลัวใดๆเพราะเราทำความดีสิ่งที่ไม่ดีเราสลับแล้วเราพอใจแต่ความดีเพราะฉะนั้นนั่งไปมีความสุขด้วยอาศัยอยุตอารมณ์ันใดอันหนึ่งจะเอาพุทโธผู้เบิกบานใจดีมันตองใจเบิกบานใจไม่ไม่ใจเหี่ยวแห้งเศร้าสุข เลือกเหมือนติต้นไม้ดอกไม้ซิมันบานามีกลิ่นหอมส่งกลิ่นไปมีทางกลิ่นทางสีทางใครใครเห็นก็นิยมชมชอบจิตใจเบิกบานาก็เพราะได้รับแสงอาทิตย์ได้รับแสงความเย็นความสดชื่นของสิ่งต่างๆาคนเห็นเลยพลอยได้ความสุขอาศัยสิ่งที่วัตถุที่มี เปลือกรูปเปรือกเหมือนจะมีความสุขแม้แต่ดอกมไม้ภายนอกก็ทําทให้คนมีความเบิกบานด้วยสุขใจไปด้วยยิ่งพุทธโธคุณพระพุทธเจ้ามาตั้งไว้ในใจถ้าเราระลึกเข้าถึงพุทธละจริงๆเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อยู่เฉพาะหน้าอยู่ในใจของเราจริงๆเราจะดีใจขนาดไหน เราจะมีความสุขใจขนาดไหนที่พระองค์มาอยู่ในใจของเรามาอยู่ได้จริงๆไม่ใช่ว่าไม่ได้พุทธโธเนะะีรร่ยถ้าแต่ลใจของเราดีจริงๆเพราะพุทธะพุทโธนั้นชอบอยู่ที่จิตบริสุทธิ์จิตสะอาดจิตสงกจิตเยือกจิตเย็นถ้าจิตใสจิตสะอาดสงบที่เราทั้งหลายชาระอยู่อย่างนี้พระองค์ต้องมาอยู่กับเราแน่นอน ขอยเราทั้งหลายรู้จักพระองค์ขอยเราทั้งหลายต้อนรับพระองค์ไว้ในใจเหมือนกับพระองค์มานั่งอยู่บนจิตใจของเราอพุทธละกนังพระพุทธเจ้าเหมือนกับแก้วมานั่งอยู่ไม่อยู่ในใจของเราทำไมชาติใสบริสุทธิ์สะอาดหมดจิตทำไมฉันเปรือบเหมือนกับแก้วเพราะพระพุทธเจ้าใสสะอาด กายก็สะอาดวาจาก็สะอาดจิตใจก็สะอาดไม่มีเครื่องเศร้าหมองในจิตในใจแม้แต่น้อยกิเลสสักนิดเดียวก็ไม่มีสสะอาดจึงเรียกว่าพุทธะตนัเพราะเป็นของบริสุทธิเ์เรืยอวกาบริสุทธิ์ที่คุณคุณความดีที่พระองค์ปฏิบัติอบรมจนสะอาดทุกส่วนเลยจึงเรียกว่า พระตนังคือแก้วเป็นของใสแต่เป็นของมีค่ามีค่าสูงยิ่งกว่าแก้ว แ, แก้วนั้นเมื่อเราได้มาเป็นเพชรนินจินดาย่อมมีภัยยากในการรักษาสะเพราก็มีคนขมอยเอาไปหรือค่มเหงแย่งชิงเอาไปทำให้เราได้รับอันตรายได้รับทุกข์ยังไม่ได้เป็นที่พึ่งแห่แท้จริง ส่วนพุทธรัตนังรัตนะคือพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติของใจแล้วไม่มีใครจะมาแย่งชิงเอาไปได้ไม่มีใครจะรับไปเป็นเจ้าของได้เป็นของอยู่ประดับใจของเราตลอดเวลาคนอื่นจะมาเป็นเจ้าของคนเดียวไปไม่ได้เพราะเหตุนั้นพุทธรัตนังยิงประเสริฐกว่า ให้เราทางหลายเอามาเป็นที่พุ่งทางจิตใจไลึกทาจิตใจของเราให้สบายเพราะทุกอย่างเขาสบายแล้วเราตรวจดูภายนอกเขาไม่เดือดร้อนอะไรไม่มีอะไรเดือดร้อนตรวจดูภายนอกไม่มีอะไรไม่สนุกดูอากาศดูทั้งหลายเขาเกิเย็นสบายเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย ยังแต่จิตใจของเรานิดเดียวเท่านี้เองแตเราเพงเ่งแรงไปสนรวมจิตใจแต่งตรงนั้นหน่ะเน็ดเดียวให้มันดีมันไม่มีปัญหามันก็หลุดเท่านั้นะลุดออกจากสิ่งที่ไม่ดีมันก็รลุดออกจากสิ่งที่ทุกข์นต่จิตใจมันสงบจริงๆทำได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะ ถ้าเราทุกคนไม่เป็นสิ่งเหลือวิสัยเลยถ้าเราส้ำรวมจริงๆสละจริงๆเพื่อเขาทึ้งให้เขา้เขาถึงพุทธะมันจริงๆถึงได้รู้ได้เห็นได้ถ้าถึงไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่สอนพระองค์ไม่สอนที่สิ่งที่เราไม่รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เลือถึงไม่ได้ พระมีผู้เห็นผู้ได้ผู้ถึงมาเป็นจำนวนมากแล้ว mm. เมื่อก่อน mm. พระอริยญญเจ้าทั้งหลายก็เป็นประตุชนเหมือนกันไม่ใช่ mm. เป็นอย่างอื่น mm. เคยหลงแสนสาหัสมาเหมือนกัน mm. แต่เมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว mm. มีศรัทธามีความเพียรมีความพยายามเชื่อมัน่น ตั้งใจปฏิบัติตามโดยไม่ทอดทถระไม่ประมาทก็ย่อมได้ความฉลาดได้กำลังความรู้ที่เราฝึกฝนอบร ม, มนนรลุจิตนักเข้านักเข้าจิตก็มีกำลังกล้าสามารถจิตกำจัดอาละทำให้เศร้าหมองจิตใจได้หลุดพ้นไปได้ จากสิ่งที่ไม่สะอ า, เ, อาเนล้อแต่ธรรมชาติบริบูรณ์ธรรมชาติที่บริสุทสธิ์แท้ด้วยความกลองคือสมาธิด้วยความกลองม่สะอาดละเอียดคือปัญสติปัญญาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรทำความดีใจและพอใจ ในการกระทำของเราแต่และ ว, วันละ ว, วันที่เราทําเสมอมาตามระดับความปัดจัยความตั้งใจของเราก็ ค, อค่อยเคลืบคลามเห็นความจริงเห็นความสงบเห็นความสุขมาตามลําดับที่เราต่อสู้เราแก้ไขปลดเรื่องสินติอุปสรรคต่างๆเป็นอุปกรณ์ที่ให้ได้เพื่อปฏิบัติตั้งแต่เราเริเร่มตั้งสํานักขึ้นมา เมื่อไปที่พักแล้วเราก็ได้มาประกอบได้มานั่งสวดมนต์ไหว้พระภาวนาสมกับเราต้องการขอให้เราทั้งหลายพยายามทำ้างความ ต, ต้องการทิดตั้งใจของเราสมกับเราอยากได้แบบนี้ตั้งใจปฏิบัติจนกว่าเราจะลด่อนที่แทจจ้จริงแต่ยังไม่ลด่อนแต่ตั้งใจเราจะทำอยู่นี่ปฏิจจบัติอยู่นี่ ที่กาลังทําได้หูยังดีอยู่กับฟังให้มันชัดตายังเห็นอยู่ก็ต้องพยายามดูสิ่งไหนควรทิ้งสิ่งไหนควรเอาจิตใจยังมีอยู่ก็อบรมชาระสิ่งไหนที่ไม่มีประโยชน์อสิ่งไหนที่จะเกิดความสงบความสุขสาสบริสุทธ์เขาเอาแตสิ่งนั้นใครห้ามไม่ได้ เรามีสิทิ์ที่จะช่วยตัวเองสร้างความดีใส่ตัวของเราเองถ้าความชั่วไม่ทำจะเลยดีกว่าเพราะเมื่อทำแล้วย่อมเผ็ดเผาทำความทุกข์ตามมาภายหลังใายความดีทำไว้นั่นแหละดีกว่าเมื่อทำแล้วมีความสุขใจ มีความสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีเวรไม่มีภัยเกิดขึ้นตามภัยหลังเพราะฉะนั้นบัณฑิตทางหลายท่านพยายามปฏิบัติ ด, ดีทำแต่ความดีแต่เราตรวจแล้วเราก็ได้ทำแต่ความดีแบบทำของบัณฑิ ต, ตเราก็ได้รับความเย็นใจเพียงแต่มรุดถึงความดีเราก็ได้ความสุขใจนะ ถ้าเราปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีในใจให้หมดสิ้นไปจะได้ความสุขแค่ไหนยิ่งจะเป็นก้อนจุดทั้งก้อนเลยถ้าเราสร้างปัญญามาเห็นโทษ ส, สิ่งที่เป็นโทษตามความเป็นจริงเราไม่ลงยึดถือปล่อยวางมันได้สัตว์มันขาดแล้วเราก็จะได้ความสุขเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายาม บรรยายมาสงวนเกลเวลาตอนนี้ไปภาวนาต่อไปอีกเมือ่อสงวนเกลเวลาแล้วจึงคอยเลิกพร้อมกัน